มีสติถึงจะเกิดขึ้นมาได้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายจงอย่าลืมความสำคัญของสติไปเป็นอันขาดก่อนที่จะเจริญธรรมอย่างอื่นสิ่งแรกควรจะเจริญก็คือสติถ้าไม่มีสติแล้ว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 มีความสงบการเจริญปัญญาถ้าใจไม่สงบนี่จะเจริญไม่ได้เพราะจะมีกิเลสตัณหาออกมาต่อต้านจะไม่สามารถเจริญปัญญาเช่นตจรลักได้ไม่สามารถพิจารณาความเกิดแก่เจ็บตายได้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 ก็อาจจะเกิดความโกรธแค้นโกรธเคืองบุคคลที่มาทำให้เราต้องสูญเสียบุคคลที่เรารักไปเช่นมาแย่งสามีมาแยง่งภรรยาของเราไปเราก็จะเกิดความโกรธแค้นโกรธเคืองเกิดความเสีย อ, อกเสียใจถึงกับจะต้องไปฆ่าผู้อื่นได้ฆ่าคนที่มาแย่งสามี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 ถ้าไม่สามารถที่จะดึงใจให้จดจอ่ออยู่ได้ก็ต้องใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธเป็นสติอีกเส้นหนึ่งเป็นเชือกอีกเส้นหนึ่งที่จะคอยดึงใจไว้ไม่ให้ไปคิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆทําอะไรไปก็พุทโธพุทโธไปควบคู่กันไปมีสติอยู่ออกับการกระทํา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 เพราะความจริงแล้วไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ให้ความสุขกับใจได้อย่างถาวรให้ได้ก็เพียงชั่วครั้งชั่วคราวชั่วประเดียวประดาวแล้วก็จางหายไปก็ต้องหามาใหม่อยู่เรื่อยๆหามาเท่าไหร่ก็หายไปเท่านั้นจะไม่อยู่คู่กับใจไปเหมือนกับความสุข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 ให้ความสุขพราจะสามารถพิจารณาความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้สามารถพิจารณาความที่ไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับไปสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือไปห้ามไม่ให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้พอเห็นความจริงแล้วก็จะได้ไม่ฝืนความจริง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 ไม่ให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายผู้ที่มีความอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะมีความทุกข์ความเดือดร้อนอแต่ผลก็เหมือนกันตายเหมือนกันเจ็บเหมือนกันแก่เหมือนกันนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับ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 สติตลอดเวลาไม่ให้พังไม่ให้เผลอเพราะเวลาใดที่พังเผลอไม่มีสติเวลานั้นใจก็จะปรุงแต่งการปรุงแต่งของใจนี้ก็จะทำให้การทำให้ใจสงบนี้เป็นไปไม่ได้ <c oughs> ดังนั้นต้องพยายามหยุดความคิดปรุงแต่ง <c oughs> ให้ใจอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างต่อเนื่อง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 ลมหายใจเข้าออกหรืออยู่กับคําบริกรรมพุทธโธพุทธโธอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้บางท่านก็จะผสมกันก็ได้ถ้าเป็นถ้าทําแล้วได้ผลถ้าถูกเจริญเช่นบางท่านบอกว่าต้องหายเวลาหายใจเข้าก็ว่าพุทธเวลาหายใจออกก็ว่าโธหรือบางท่านก็ว่าหายใจเข้าก็พุทโธ หายใจออกก็พุทธโธบางท่านก็ขอใช้พุทธโธอย่างเดียวจะสบายกว่าไม่ต้องมากังวลกับลมหายใจเข้าออกเพราะบางเวลาจิตฟุ้งมากถ้าพุทเข้าโรออกนี้จะมีความคิดต่างๆแทรกเข้ามามากก็จะใช้คำบริกรรมที่ถี่ขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ความคิดต่างๆแทรกเข้ามา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 หรือถ้าไม่สามารถใช้การฟั่งถามได้เพราะใจก็ยังคิดมีปัญหากับเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้หรือบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ก็ให้ใช้การใช้ปัญญามาระงับความฟุ้งซ่านก็ได้อย่างที่ท่านเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิคือเราต้องพิจารณาเรื่องที่ทำให้เราว้าวุ่นขุนวัวฟุ้งซ่าน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 ยอมรับกับสถานภาพของตนเองไปถ้ายอมรับได้ก็ไม่ค่อยทุกขทรมานเท่าไหร่ถ้ารับไม่ได้ก็จะต้องทุกขทรมานไปเรื่อยๆนี่คือการเจริญสติเพื่อให้ได้สมาธิขึ้นมาให้ได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลายเมื่อได้ความสุขกันนี้แล้วก็จะสามารถ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 นี่คือตายรักอ น, นิจจังไม่เที่ยงทุกขังก็คือมันเป็นทุกเวลามันเสื่อมอนัตตาก็คือเราไม่สามารถไปสั่งเขาได้ไปห้ามเขาได้เขาต้องเป็นตายตามเรื่องของเขาตามเหตุตามปัจจัยของเขา<ม>ถ้าเราเห็นเขาเป็นตายรักเราก็จะได้หยุดการไปพึ่งพาอาศัยเขาได้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 ต้องสำรวมไม่ให้หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายสินข้อสามก็ต้องถือเป็นอพรรมจริยาคือสินพรหมจรรย์ไม่ร่วมหลับนอนกับใครสินข้อที่หกก็ไม่รับประทานอาหารเพื่อความสุขให้รับประทานอาหารเพื่อดูแลรักษาร่างกายให้อยู่ไปได้ก็ให้รับประทานเหมือนรับประทานยามีเว ล, เวลา เินแลรับประทานวันละหนึ่งครั้งก็พอหรือถ้าสองครั้งก็ไม่หลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพื่อจะได้ตัดนิวรนคือความง่วงเหงาเหานอนและรักษาเวลาที่จะต้องสูญเสียไปกับการหากินจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับเรื่องการรับประทานหลายมื้อด้วยกันไม่จำเป็นร่างกายรับประทานเพียงมื้อเดียวก็อยู่ได้ แล้วก็ไม่ไปเสียเวลากับการหาความสุขจากการดูมหรัรสพบันเทิงต่างๆไม่เสียเวลากับการเสริมความงามของร่างกายไม่ต้องเสียเวลากับการหลับนอนมากจนเกินไปถ้าหลับนอนบนผู้หนาๆเตียงใหญ่จะนอนมากเกินความต้องการของร่างกายเวลาร่างกายได้พักผ่อนตื่นขึ้นมาแล้วก็จะไม่อยากจะลุก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 พิจารณาเรื่องอสุภะได้พิจารณาเรื่องอาหารลยปฏิกู ล, ลสัญญาได้พิจารณาเรื่องธาตุสี่ดินน้ำลมไฟได้พิจารณาเรื่องอาการสามสิ่งของร่างกายได้พิจารณาเวทนาต่างๆได้ถ้ามีสมาธิมีกําลังแล้วจะสามารถพิจารณาว่าเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่าเป็นทุกข์ได้ก็จะปล่อยวางได้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 กับสิ่งต่างๆแล้วรับรองได้ว่าใจจะไม่มีความวุ่นวายใจจะสงบเนิ่งเย็นสบายไปตลอดนะตัวที่ทำให้เราต้องทุกข์วุ่นวายใจก็คือความอยากนี้เองและตัวที่สร้างความอยากก็คือตัวความหลงนี่เองหลงที่ไปคิดว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เช่นราบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นความสุขนั่นเองถ้าใช้ปัญญาพิจารณา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 แก้ความหลงต่างๆที่มีอยู่ภายในใจจนหมดไปแล้วใจก็เลยกลับสู่สภาพปกติคือความสงบนี่เองเหมือนกับคนไข้ที่ได้รับการรักษาเยี่ยวยาจากยาจากหมอถ้ามียาเข้าไปทําลายเหตุคือเชื้อโรคต่างๆที่ทําให้ร่างกายไม่สบายได้พอเหตุเหล่านั้นคือเชื้อโรคต่างๆถูกทําลายไปหมดแล้ว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 ใจก็จะหายเป็นปกติใจก็จะสงบตลอดเวลาเมื่อสงบตลอดเวลาก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติทำอีกต่อไปท่านถึงเรียกว่าวุติธรรมบรมเจริงภารกิจในพรหมจรรย์นี้ได้สาเร็จรุ่วงแล้วไม่มีเกณฑ์อันอื่นที่จะต้องทาอีกแล้วจบแล้วงานการรักษาใจนี้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 ของชาวพุทธเราเพราะปฏิบัติกันไม่อยาไม่ได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองเพราะยังลักยังหวงความสุขทางตาหูจมูกเิ้นกายอยู่ยังรักยังหวงราบยศสรรเสริญอยู่นั่นเองจึงไม่สามารถปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นเพื่อที่จะได้มาบําเพ็ญมาปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องผลจึงไม่ปรากฏขึ้นมาตามที่อยากจะได้กัน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 การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พอ่อนยาถาวาริกวาหาปุราปาริกปุรเรนติสากรังเอวเมวะอิโตทินางเปตานางอุปกปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิต เ, ต ม, เมวะสมิจิตุ สัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยทามณิโจติอระโสยทาสพีติโยวิวาชันตุสัพพโรโวินัสตุมาเตภวตอันตรยโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปจายโน จะตาโรธรรมาวทานติอายุวโนสุขังภาลางต่อไปนี้ก็จะเป็นการถามตอบปัญหาธรรมะที่มีท่านถามมาทางบ้านและที่อยากจะถามที่ศาลานี้ก็ขอเชิญขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนได้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 ยังมองไม่เห็นอสุภะนี่เรียกว่าความหลงถ้าเห็นอสุภะในร่างกายของคนที่เราเกิดราคะด้วยมันก็จะดับราคะลงไปยังความโลภ ก, ก็ดีความอยากก็ดีเกิดจากความหลงคือมองไม่เห็นความทุกข์ในสิ่งที่เราอยากมองไม่เห็นสิ่งที่ไม่ นาดูไม่น่าชมในสิ่งที่เราคิดว่าน่าดูหน้าชมนั่นเองแล้วความโทสะก็เกิดจากการที่ไม่ได้ดังใจอยากอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจอยากได้เขามาเป็นแฟนเขาไม่ยอมเป็นแฟนก็จะเกิดความเกิดขึ้นมาได้อยากได้เขามาเป็นแฟนเพราะมองเห็นว่าเขาสวยเขางามหน้าดูหน้าชมเพราะไม่เห็น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 และจิตก็ไม่หนักแน่นมั่นคงมีแต่ความหวันไหวไม่อาจเกิดสมาธิได้ไม่ทำให้เราเป็นสุขได้อิชันพิจารณาถูกต้องไหมคะถูกแล้วข้อที่สาม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 จะไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างสะดวกสบายใจจะเป็นวิวรณ์ความฟุ้งซ่านความวิตกกังวลดังนั้นเรามีภาระอะไรเราต้องอแก้หรือตัดภาระเหล่านั้นให้หมดไปจากใจให้ได้ก่อนคำถามต่อไปจากคุณแฟนไม่มีให้ฟุ้งพริง้งอะไรเป็นเหตุให้เกิดสมาธิครับ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 ต่อการกระทำของเขาหรือไม่การกระทำลงโทษนี้ก็ต้องมีสติแนละมีความเมตตามีเหตุมีผลคือต้องคำนึงถึงการลงโทษนี้เพื่อเป็นการห้ามปรามเพื่อเป็นการสั่งสอนให้เขาเกิดความเข็ดหลาบขึ้นมาถ้าลงโทษจนกระทั่งทำให้เขาโกรธแค้นโกรธเคือง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 คือให้เกิดความเข็ดลาบหรือทำให้เขาเกิดมีความกระยันมีความตั้งใจที่จะทำความดีต่อไปคำถามต่อไปจากคุณชิดการถือศีลอดมีประโยชน์อย่างไรคะการอดอาหารนี่ก็เป็นอุบายเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นการการทำความเพียรเพราะว่าเวลาที่ร่างกายขาดอาหารจะมีความทุกข์ ทางร่างกายและทุกทางใจผู้ที่ปฏิบัติธรรมก็จําเป็นจะต้องปฏิบัติทําใจให้สงบเพื่อจะได้แก้ปัญหาที่เกิดจากการโอดการขานการโอดอาหารคือความทุกข์ทางใจใจจะคิดถึงอาหารอยากอาหารพอเกิดความอยากอาหารก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าจเจริญสตินั่งสมาธิทําใจ <c oughs> ให้สงบได้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 กับความอยากอาหารแต่ถ้ามันอดอาหารนี่มันจะมีความทุกข์จากความความอยากอาหารและจะหายทุกข์ได้ก็ต้องทาใจให้สงบเท่านั้นาการปฏิบัติการนั่งสมาธิจริงต้องทำอย่างจริงจริงจังๆเพื่อให้ได้ผลเพราะจะได้บรรเทาความทุกข์ใจลงไปได้เมื่อสามารถปฏิเมื่อสามารถทำได้ต่อไปการทาใจให้สงบก็จะง่าย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 พรอมแห้งแรงน้อยดันั้นบางทีต้องยามอดทางร่างกายให้ร่างกายมันพร้อมแห้งแรงน้อยเพื่อให้ใจอิ่มมีพีมันบ้างคำถามต่อไปจากคุณนพข้อที่หนึ่งเมื่อใจสงบแต่ไม่นานแล้วถอนออกมาพอเห็นว่าใจมันไม่สงบคิดปรุงแต่งเรื่อยๆจึงหันมาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนัง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 เพราะถ้าปล่อยให้หลับมันก็เท่ากับเสียเวลาไปตอนหลับนี่ก็ถือว่าไม่ไม่มีการปฏิบัติเมื่อไม่มีการปฏิบัติก็จะไม่มีผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามมาถ้าไม่อยากจะให้เสียเวลาถ้ามองเวลาว่าเป็นเหมือนกับเพชรนินจินดาไม่ควรที่จะให้หายไปเราก็ต้องพยายามใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด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 เหมือนกับเวลาเราขับรถไปถ้ามีรถติดนี่ก็ถือว่าเป็นนิวร์อย่างหนึ่งที่ทำให้เราไม่สามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้รถติดหรือสะพานขาดหรือถนนเสียอะไรเหล่านี้ก็เรียกว่านิวร์การปฏิบัติทำใจสงบก็มีเหตุที่จะเป็นอุปสรรคขวางกัน้นความสงบอยู่ห้าเหตุด้วยกัน คือหนึ่งความ ว, วิจิกิจฉาเรียกว่าความลังเลสงสัยในการปฏิบัติของเราว่าปฏิบัติแล้วจะได้ผลหรือไม่ถ้าเราลังเลสงสัยเราก็จะไม่ทุ่มเทให้กับการปฏิบัติเท่าที่ควรเราก็ต้องแก้ด้วยการศึกษาพราะธรรมคำสอนศึกษาวิธีปฏิบัติของผู้ที่ได้ผลมาแล้ว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 ก็จะทำให้ปล่อยวางได้พอปล่อยวางได้ใจก็จะหายจากความฟุ้งซ่านได้ก็อีกข้อหนึ่งก็คือความง่วงเหงาเหานอนก็เกิดจากการรับประทานอาหารมากจนเกินไปเวลาหนังท้องตึงหนังตาหย่อนถ้าอยากจะให้หนังตาตึงหนังท้องหย่อนก็ต้องอย่ากินอาหาร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 ความโกรธนี่จะทำให้เราไม่สามารถทำใจให้สงบได้พิจารณาว่าเขาเป็นอนัตตาไปก็ได้เราไปห้ามเขาไม่ได้ข้างบ้านเขาอยากจะร้องนํำทำเพลงกินเหล้ามาเอายาเราอยากจะนั่งสมาธิ <c oughs> าก็เราก็เอาอะไรมาอุดหูเราเสียก็หมดเนื่องอย่าไปโกรธแค้นโกรธเคืองเขาเพราะมันยิ่งจะทาให้เราใจร้อนขึ้นมายิ่งร้อนเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่สงบทาให้สงบยาก นี่ก็คือความโกรธความนั่งเลยสงสัยความทุ้งซ่านความว่วงเหาเหานวลความโกรธแล้วขานอะไรอีกอันหนึ่งการมาฉันท ะ, ะคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเช่นอยากในกาแฟอยากดื่มกาแฟเวลานั่งสมาธิมันก็นั่งไม่ได้ใช่มล้ะต้องไปหากาแฟมาดื่มก่อน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 เราควรใช้สติดึงใจให้เข้าสู่ อ, อปนาสมาธิด้วยการภาวนาต่อไปถ้าเราภาวนาพุโทโธก็พุโทโธไปดูลมก็ดูลมไปเอหรือถ้ามีสติดึงใจให้เข้าสู่ความว่างก็ดึงมันเข้าไปอย่าไปตามรู้กับสิ่งที่ปรากฏมาให้รับรู้ถึงแม้ว่าจะน่าดูหน้าชมมีความสุขเพลิดเพลินกับสิ่งต่างๆแต่มันไม่ทําให้ใจเรานิ่งใจเราปรุงแต่งตามมัน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 พอไม่มีตัญหาอยู่แล้วนี้ที่จะไปจะไปเล่นกับอุปจาระนานขนาดาษไหนก็ไม่เป็นปัญหาอย่างไรคำถามต่อไปจากคุณอุบาศกพงเวลาทำบุญผมจะขอให้พ้นทุกตลอดไม่อยากกลับมาเกิดอีก ผมจะขออธิษฐานว่าหากเกิดชาติหน้าฉันใดหากยังไม่ถึงซึ่งพนันธิพานขอให้ผมอย่าได้มีความรักในการมาราค้าเลยจะได้หรือไม่ครับคำอธิษฐานนี้จะมีผลหรือไม่ขอรับ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 เรื่องของการเจริญปัญญานี้ไม่เป็นปัญญาหรอกเป็นก็เป็นแค่แค่นิดเดียวแค่งูลแลบลิ้นเท่านั้นเองพิจารณาได้แป๊บหนึ่งก็หายไปละเออหตุนต้องพยายามปเจริญปัญญาอจเจริญสมาธิให้มากก่อนให้จิตมีอปปนาให้ได้ก่อนแล้วเวลาออกมานี่มันจะปีโอเบคาที่จะต้านความอยากทางการอารมณ์ได้แล้วก็จะทําให้เรามองเห็นความจริงของร่างกายได้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 หนูควรทำอย่างไรดีคะเพราะบางครั้งสติไม่มีกำลังพอจากพิจารณาอาสุภะค่ะก็ถ้าไม่มีสติก็ต้องอยู่ห่างๆกันอย่าคบค้าสมาคมกันคือน้ามันกับไฟนี่อย่าเอาไปไว้ใกล้กันเดี๋ยวมันจะลุกลามกันได้ทวนจะแยกกันอยู่ไว้คนละที่ไว้คนละบ้านถ้าจะต้องเจอเขาก็ต้องอย่าไปเจอกันแบบสองต่อสอง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 ก่อนจะไปรักษาศีลเราควรปฏิบัติข้อวัดให้ดีที่สุดก่อนใช่ไหมคะข้อวัดหมายถึงอะไรหมายถึงอหมายถึงการไหว้พระสวดมนต์การอาทําอะไรเหล่านี้มันก็ต้องทําควบคู่กันไปทําบุญทําทานแล้วมีข้อวัดปฏิบัติอะไรแล้วที่เราควรจะทําแล้วก็ทําก็ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่เราไปอยู่ด้วย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 แล้วเราก็จะได้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางอันเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาลานตสาวกทั้งหลายได้บรรลุถึงนั่นเองนี่คือเป้าหมายของการกราบพระข้อที่สามพระวินัยเป็นของพระที่ต้องรักษาหากเรารู้ว่าถวายแล้วผิดเราไม่ถวายหากผู้ไม่รู้ถวายพระรับต้องอาบาัตและโยมต้องไปนรกไหมคะ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 เพื่อหาอไรายได้อันนี้เหมือนก็ไม่ถูกดังนั้นมันอยู่ที่ผู้รับว่าเขาจะเอาไปทำอย่างไรผู้ให้นี้ไม่มีความเสียหายถ้าสิ่งที่ให้นี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นโทษต่อผู้รับเช่นถ้าไปให้สุรายาเมาให้ยาพิษยาฝิ่นยาบ้าอย่างนี้อย่างนี้ผู้ให้ก็มีโทษ ด, ด้วยเพราะส่งเสริมให้ผู้รับนี้เกิดความเสียหายได้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 ทางที่ที่นี่มีใครอยากจะถามปัญหาต่อไหมอ ะ, อะไรไม่มีก็เอาแค่นี้ก็แล้วกันนะพอดีมีเสียงรถขึ้นมาแล้วก็ <c oughs> ข, อขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความเจริญในธรรม ย, ยิ่งขึ้นไปเธอ